ยังเห็นร่างกายอยู่ไหมหรือฟุงซ่านแล้วแค่เห็นเห็นด้วยความรู้สึกไม่ต้องเพ่งจ้องตั้งใจมาก สังเกตไหมว่าถ้าเราไม่ค่อยหันกลับมาดูจิตใจจิตใจจะล่องลอยลองย้อนกลับไปดูจิตใจตัวเองตอนนี้เป็นยังไงจะพบว่ามันกลับมาที่เนื้อที่ตัวลึกซึ้งขึ้น พอเราลืมหันกลับมาดูจิตใจอาศัยความรู้สึกตัวอย่างเดียวจิตใจก็ล่องลอยง่ายๆเพราะนั้นเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็ต้องอย่าลืมที่จะรู้สึกจิตใจด้วยมันเป็นยังไงก็รู้เป็นอย่างนั้น คำว่ารู้สึกจิตใจก็คือแค่รู้สึกว่าตอนนี้มีอารมณ์ความรู้สึกยังไงในใจเราเฉยๆก็รู้เฉย ๆ, ๆ ปกติก็รู้วันปกติมีความพอใจไม่พอใจก็รู้รู้เสร็จก็กลับมาอยู่ที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ เมื่อเราฝึกจนชำนาญมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นประจำแล้วมันก็ไม่ลืมความรู้สึกทางจิตใจหรอกเมื่อเราฝึกไปมากๆเข้า มันเหมือนชีวิตเราเนี่ยก็อยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการเห็นจิตใจไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอยู่ก็รู้อยู่อาจจะมีออกไปคิดบ้างอาจจะมีหลงไปปรุงแต่งบ้างก็ธรรมดา แต่ชีวิตจะเปลี่ยนจากเดิมที่เคยสนใจแต่จะออกไปข้างนอกคิดนึกปรุงแต่งนู่นนี่นั่นแสวงหาภายนอกเหมือนชีวิตเมื่อก่อนที่ไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมชีวิตจะเปลี่ยนไป มันจะมีแต่ความสนใจในกายและจิตนี้ชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นวิถีชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นและมันจะค่อยๆกลมกลืนกลมเกลียวเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ อยู่บนวิถีชีวิตใหม่นี้ให้เวลากับตัวเองค่อยๆฝึกอย่าเลิกไม่ต้องกลัวผิด ตั้งแต่วันนี้ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตของนักปฏิบัติธรรมตื่นแต่เช้าขึ้นมานั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงก่อนไปทํางานก่อนนอนจะนั่งหรือจะเดินหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน ฝึกให้เป็นนิสัยทำหน้าที่อย่างมีวินัยแล้วหลอมรวมมันเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ประกอบด้วยความรู้สึกตัวประกอบด้วยสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจล่องลอย เป็นเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักการปฏิบัติธรรมวิ่งสแสวงหาความสุขที่ไม่มีอยู่จริงคนทำงานก็คิดแต่วันหยุดว่าจะไปเที่ยวไหน วิถีชีวิตใหม่คิดใหม่วันหยุดปุ๊บจะไปคอร์สไหนเป็นแบบนั้นไม่ใช่เที่ยวไหนเวลาก็มีน้อยอยู่แล้วต้องทำงานยังจะเอาเวลาไปเที่ยวหลงทุกวันยังไม่พอ วันหยุดจะไปหลงต่ออกีกขณะที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนี้หูนี่ว่าก็ยังได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียง แต่ถ้าความเคยชินเก่าๆมันชอบคิดนึกปรุงแต่งมันก็สักแต่ว่าเสียงไม่ได้มันก็ไปคิดนกกี่ตัวนกอะไรอุ๊ยอากาศดีจังทำไมบ้านเราไม่มีแบบนี้ เมื่อความเคยชินเก่ามันชินที่จะคิดนึกปรุงแต่งแบบนั้นในขณะนี้เราก็ทำได้อย่างเดียวคือแค่รู้ทันว่ามันไปปรุงแต่งแล้วเราได้ยินเสียงที่ เรายินดีพอใจเกิดความสุขขึ้นก็รู้ทันความสุขเกิดขึ้นในใจแล้วเราได้ยินเสียงที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจรู้ทันความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันความทุกข์จะเกิดขึ้นตามมา นี่จึงเป็นสาเหตุที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครให้ทุกข์กับเราได้นอกจากเราทำเองเพราะเรารู้ไม่ทันเราเข้าไปเป็นกระทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเอามาเป็นของเราเราจึงต้องทุกข์ เพราะความเห็นผิดว่าอะไรอะไรก็เป็นของเราเราจึงต้องทุกข์ราะนั้นรู้สึกตัวไว้ เตือนตัวเองยังเห็นอยู่ไ้ยร่างกายนี้ยังรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนี้ไหมแล้วจิตจะตื่นขึ้นรู้เห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ตามความเป็นจริงได้ สังเกตไว้ว่าขณะที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแบบนี้จิตใจเป็นยังไงปกติจิตใจที่สงบเป็นปกติเป็นจิตใจที่พร้อมจะรองรับธรรมะ พร้อมจะรู้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงเพราะมันไม่มีไบแอสไม่มีอคติปราศจากกิเลสเพราะถ้าวันๆจิตใจนี้ไม่ปกติเอาซะเลย นั่นปลว่าจิตใจนี้เต็มไปด้วยกิเลสทั้งวันนั่นแปลว่าจิตใจนี้ไม่มีโอกาสที่จะมีสมาธิได้เลยเพราะมันวุ่นวายทั้งวันมันรู้จัก สภาพจิตใจที่เป็นปกตินี้บ่อยๆเบื้องต้นเราจะได้รู้ว่าเมื่อจิตใจนี้เป็นปกตินี้ความทุกข์ไม่มีแล้วความบีบคั้นดิ้นรนใดๆไม่มีแล้วความสุข ที่ปัาจากความเสียแดแทงใดๆเกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันจิตใจที่เป็นปกตินี้เป็นบ่อกเกิดของสมาธิจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นปกติ เป็นบ่อกเกิดของสมาธิเพราะนั้นมันเป็นความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้และกำลังเป็นสมาธิที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญปัญญาเห็นทุกสิ่งที่กำลังผ่านเข้ามาในกายในใจนี้ตามความเป็นจริงได้จะเป็นการเห็นที่ไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งนั้นๆ ไม่เข้าไปเป็นแม้กระทั่งความสุขความสุขก็เป็นสิ่งที่ต้องถูกเห็นเหมือนกันศาสนาพุทธ เป็นศาสนาแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ใช่ศาสนาของความสุขบริสุทธิ์หลุดพ้นหลุดพ้นจากทั้งความสุขและความทุกข์เข้าถึงบรลมสุขที่แท้จริงบรลมสุขไม่ใช่ของคู่ไม่ใช่ความสุขและความทุกข์ที่เกิดคู่คู่กันเสมอ มันเป็นความหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยากได้ชีวิตที่มีความสุขเราจะได้ชีวิตที่มีความทุกข์มาคู่กันเสมอ แต่ถ้าเรามีชีวิตที่จะมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเราจะได้ชีวิตที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแม้ว่าทุกข์จะมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์อีกต่อไป ถ้ารู้สึกกําลังตั้งใจเพ่งมากเกินไปต้องรีเซ็ตตัวเองขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเริ่มใหม่ไม่ใช่เราตะบี้ตะบันเพ่งไปเรื่อย การปฏิบัติคือการเริ่มใหม่ทุกขณะชีวิตเรามีแค่ขณะเดียวขณะต่อไปเป็นชีวิตใหม่ขณะต่อไปเป็นชีวิตใหม่ ไ, ปปหมไม่ใช่ชีวิตเดิมทุกขณะเป็นความสดใหม่ รู้สึกอยู่ขณะนี้ไม่ต้องไปเสียดายอดีตที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ไม่ต้องคาดหวังอนาคตจะดีกว่านี้ ประโยชน์ของการที่ได้โอกาสอุปถากรับใช้ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดประโยชน์อย่างแรกเนี่ยตัวเราเองจะมีความสำรวมมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวพอรู้ว่าถาลงไปนี่โดนแน่ ประโยชน์ข้อที่สองคือถ้ามันหลงไปจริงๆก็โดนจริงๆคอยเตือนให้เรามีสติครั้งหนึ่งผมขับรถไปกับหลวงพ่อผมก็ขับไปแล้วก็ เผอคิดไปแวบหนึ่งหลวงพ่อก็หันมาหาผมบอกว่าพระอรหันต์ก็ไม่ติดความคิดนี่ลักษณะแบบนี้มีคนคอยเตือนเรา การได้ใช้ชีวิตกับผู้มีปัญญาเราจะไม่ใช่ได้แค่คำเตือนเราจะได้วิถีชีวิตทั้งชีวิตว่าคนมีปัญญาเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาดำเนินวิถีชีวิตยังไงเขาตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆยังไง เกิดเป็นวิถีแห่งความหลอมรวมขึ้นภาษาที่ท่านเขมานันทะใช้เรียกว่าคูรุดอมเหมือนเราเป็นลูกอยู่กับพ่อแม่วิถีแห่งความ ที่พ่อแม่เป็นจะถ่ายทอดมาที่เราถ่ายทอดอัตโนมัติเพราะนั้นถ้าเรารู้จักอยู่กับคนที่ฉลาดกว่าเราธรรมชาติของวิถีชีวิตความเป็นทั้งหมด ของท่านจะค่อยๆไหลผ่านมาสู่หัวใจเราเป็นการเรียนรู้ผ่านกระแสของธรรมชาติไม่ใช่การนั่งฟังคบคิดพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลหาถูกหาผิด มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับซับซ้อนหรือว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์อะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเหมือนเราทำงานเรามีหัวหน้าที่เก่งๆเราอยู่กับเขาความเก่งของเขาก็ถูกถ่ายทอดมาสู่เราอัตโนมัติ ครั้งหนึ่งมีคนเคยพูดกันแน่กันแหน่ตอนที่ผมลาออกจากการทำงานมาปฏิบัติธรรมบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เลิกเป็นอาเียยูบ้านไปเป็นคนขับรถให้พระเนี่ยเขาพูดด้วยความไม่รู้ว่า คุณนูปการของการที่เราอยู่กับคนที่มีปัญญามากกว่าเรานี่มันเป็นยังไงมีความรู้แค่ในกาลาตัวเองที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วฉลาดแล้วทุกวันนี้เจอผมถามว่าปฏิบัติทำยังไง ชีวิตในโลกทุกเหลือเกินเพราะนั้นกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในที่ตรงนี้ได้เราทุกคนจะต้องผ่านความรู้สึก การโดนกระทบกระเทียบโดนต่อว่าโดนไม่เห็นด้วยมากมายแต่เราต้องอดทนเขายังไม่รู้แต่เรารู้แล้วเราทำหน้าที่ของเราให้ดี เวลาเราทุกข์ไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่เราฝึกปฏิบัติธรรมจนไม่ทุกข์ด้วยตัวเราเองความไม่ทุกข์เป็นของส่วนตัวเป็นของที่ต้องฝึกเอาเอง ครูบาอาจารย์เป็นแค่พี่เลี้ยงคอยแนะนำให้กำลังใจเชียร์แต่จะทำไม่ทำนี่มันบังคับกันไม่ได้ หลายคนที่เป็นลูกศิษย์เก่าๆอาจจะเถียงเล็กน้อยว่าบังคับไม่ได้จริงเลยที่บังคับได้ก็เพราะว่าเป็นคนที่สอนได้มีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ ถ้าคนที่ยังสอนไม่ได้ยังไม่ปาวรณาตัวให้สั่งสอนได้ก็ไม่บังคับหรอก สังเกตไ่้พอหยุดพูดก็พยายามจะรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเพ่งไม่ต้องพยายามเอาความพยายามออกไปเหลือแค่รู้สึกแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนี้ แค่ไม่ลืมร่างกายนี้เฉยๆไม่มีมากกว่านั้นเลยแค่ไม่ลืมเราใช้ความรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนี้เป็นแบ็ k กราวด์ ไปเรื่อยๆตรงนี้เรากําลังสร้างกําลังให้กับจิตหรือที่เรียกว่าสมถะเป็นความรู้สึกในลักษณะที่ไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องไม่ได้พยายามมันเป็นแค่ความระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายนี้เฉยๆ ความระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายนี้เป็นแบ็กกราวด์แล้วเดี๋ยวอะไรอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้สัญญาความจําได้หมายรู้เกิดขึ้นก็แค่รู้สังขารความคิดเกิดขึ้นก็แค่รู้เวทนาความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกอารมณ์ในใจความเจ็บปวดในร่างกายเกิดขึ้นก็รู้แล้วเดี๋ยวจิตไปนึกคิดแล้วลืมร่างกายนี้ไปก็เห็นว่าวิญญาณก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงจะเป็นผู้รู้ตลอดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เผลอไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเพราะนั้นนี่คือว่าทำไมถึงบอกว่านั่งและให้รู้อยู่ว่าร่างกายนี่มันนั่งอยู่ หรือว่าให้รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนี้ยังเห็นอยู่ไหมเพราะมันเป็นบาดฐานสำคัญไปสู่การเจริญวิปัสสนาเมื่อมีอะไรผ่านมาผ่านไปเราจะเห็นได้ เะ น, นั้นทั้งวันส่วนใหญ่ของชีวิตเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเราอาศัยความรู้สึกตัวอาศัยความไม่ลืมเนื้อลืมตัวคาว่าไม่ลืมเนื้อลืมตัวคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจนี้กายเป็นยังไงอยู่ก็รู้จิตใจเป็นยังไงอยู่ก็รู้มันจะปกติก็รู้มันจะไม่มีอะไรก็รู้ มันเฉยๆก็รู้มันหันกลับมาดูหันกลับมาแลถ้าเราไม่หันกลับมาดูกายหรือดูจิตใจมันก็ไปคิดก็แค่นั้นเองล่องลอยแสสายฟุ้งซ่านสมาธิที่ฝึกมาทั้งหมดก็หายไปในพริบตา เหมือนเราทำงานเก็บเงินเมือนเราตอนนี้กำลังเก็บเงินอยู่เก็บเงินเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้คือเอาไว้เจริญปัญญาแต่ถ้าเราเก็บเงินหรือว่ากำลังรู้ร่างกายเติมกำลังสมาธิอยู่ แล้วพอออกไปก็พุ้งซ่านปล่อยร่องรอยไม่สนใจแล้วเหมือนเราเก็บเงินแล้วเอาไปโยนทิ้งเก็บเงินแทบตายแล้วเอาไปโยนทิ้งไม่ได้ใช้ ถ้ามีความเคลิ้มแม้แต่นิดเดียวแล้วสู้ไม่ได้ให้ลืมตาขึ้นเริ่มใหม่ไม่ใช่ไปจมอยู่กับมันเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีคิดว่ารู้สึกตัวอยู่ไม่เอาแบบนั้นเริ่มใหม่ลืมตาหายใจเข้าลึกๆยืดตัวขึ้นตรงๆ ยิ่งเราอยู่ในความเคลิ้มนานเท่าไหรความเคยชินที่จะอยู่กับมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นพอกพูนนิสัยที่จะจมอยู่ในความเคลิ้มความหลงเราต้องพอกพูนนิสัยแห่งความตื่นไม่ใช่ความหลับ เรานั่งหลายวันเวทนาอาจจะมาเร็วขึ้นเรื่อยๆก็แค่รู้มีความกลัวเวทนาเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่ามีความกลัวเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรา เมื่อไหลจิตใจผิดปกตินั่นคือตัวเรากำลังเกิดขึ้นมีความอยากมีความไม่อยากมีความกลัวสิ่งที่รองรับกิเลสเหล่านั้นคือตัวตนรู้ทันรู้ทันมันไม่เข้าไปเป็นมัน เราเป็นผู้สังเกตการทุกสภาพสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเรารับรู้ได้มองให้เห็นมันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่กำลังถูกรู้อยู่มันเป็นแค่บางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและถูกรู้อยู่ไม่ใช่เราเข้มแข็งที่จะเห็นมันเป็นแค่อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้อยู่ ความเป็นห่วงความกังวลคิดถึงลูกคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงกิจการคิดถึงอะไรอะไรเข้มแข็งที่จะเห็นสภาพสภาวะเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นมาในจิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่เหมือนกันไม่ใช่เรา อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมีหน้าที่ดูเห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นกับมันไม่ใช่เข้าไปเอาจริงเอาจังกับอารมณ์ความรู้สึกใดๆเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น พลิกมันเป็นปัญญาให้ได้เห็นมันในมุมของไตรลักษณ์ทุกสภาพสภาวะความรู้สึกอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นจบลงที่ไตรลักษณ์เห็นมันในมุมมองของไตรลักษณ์มันจะแสดงให้เราดู การเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งที่กำลังผ่านเข้ามาในจิตใจในร่างกายเป็นเรื่องของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิแต่การเห็นอยู่โดยไม่เข้าไปเป็นเป็นเรื่องของคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นตามความเป็นจริง ที่จะเห็นความห่วงความกังวลอะไรใดๆให้ได้ถ้ายังติดกับความห่วงความกังวลใดๆก็ตามเล็กๆน้อยๆก็ตามขณะที่เรากำลังจะตายตายไม่ดีแน่ ฝึกตั้งแต่วันนี้ฝึกที่จะเห็นสภาพของความห่วงความกังวลไม่ใช่เป็นไปกับสภาพนั้นๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะปล่อยวางได้อาศัยปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้น ตอนจะตายมันคิดหาเหตุผลไม่ทันแล้วที่จะปล่อยวางมีอย่างเดียวใจิตใจที่มีปัญญาแล้วมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวมันเอง คนจำนวนมากคิดว่าโอ้ต้องห่วงก่อนต้องกังวลไม่ได้มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้อองงนก่อนเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพลาดซะแล้วคิดว่าเดี๋ยวตายไปก็หมดชีวิตนี้ก็จบไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเข้าใจผิดอย่างรุนแรง มันจะห่วงและจังวนไปจนตายแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติด้วยนิสัยแบบนี้ไปด้วยมันไม่จบหรอก มันฝึกที่จะรู้ทันสิ่งที่เราทุกคนเป็นบ่อยมากก็คือความห่วงความกังวลรู้ทันมันไม่เข้าไปเป็นกับมัน พวกเราทุกคนเคยผ่านความรู้สึกห่วงและกังวลมาทุกคนน่นแหละเห็นไหมว่าเวลาห่วงอะไรทีกังวลอะไรทีมันคิดไม่หยุดเลยอยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้มันคิดซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาอยู่นั่นแหะ ถ้าเราจะตายแล้วเป็นแบบนั้นจะเป็นยังไงโอเคไหมดีไหมจะบอกว่าตอนตายจะพุโทโธพุโทโธพุโทโธเปิดธรรมะให้ฟังเปิด บทอะไรสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมตุ้งเหน่งตุ้งเหน่งตุ้งเหน่งให้ฟังคิดว่าจะสงบเอาตอนนี้เลยลองพูดโธดิสงบไหมเป็นเป็นยังทำไม่ได้เลยจะตายพังอ้าพัพงอ้จะไปทำได้ได้ยังไง ไปหวังเอาน้ำบ่อหน้าทิ้งแต่ปัจจุบันหวังอนาคตอย่างเดียวปัจจุบันไม่ฝึกไม่หัดหวังอนาคตจะไปพุโทโธ ฝึกตั้งแต่วันนี้ฝึกจนอย่างน้อยมีสติอัตโนมัติสัมผัสด้วยตัวเองเราจะรู้เลยว่าจิตที่ออกนอกไปติดอยู่กับอารมณ์อะไรนี่เป็นทุกข์มากทันทีที่สติอัตโนมัติเกิดรู้ว่ามันออกไปแล้วมันจะกลับมาที่เนื้อที่ตัวเอง เราจะพบเลยว่าโอ้โหเมื่อกี้นี้ทุกเยอะมากขนาดมันยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรด้วยนะมันแค่ออกไปทลุกเคล้ากับอะไรไม่รู้ข้างนอกแต่พอสติอัตโนมัติทำงานมันกลับมาที่เนื้อที่ตัวเกิดสมาธิตั้งมั่น ความพ้นทุกข์ในขณะนั้นเกิดขึ้นทันทีจะเรียกว่าเป็นความสุขก็ได้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เพราะเป็นมหากุศ ล, ลจิตในขณะนั้นแล้วถ้าเรากำลังจะตาย และเกิดมหากุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นในจิตใจไปดีจะเกิดอย่างนั้นได้ทำยังไงฝึกแบบที่สอนนี่แหละแต่อาศัยทั้งชีวิตที่จะฝึกแบบนี้ ไม่ใช่ปีหนึ่งมาเข้าคอร์สทีหนึ่งฝึกทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ลืมไม่ลืมหน้าที่แบบนี้ บังคับตัวเองจัดสรรเวลาปฏิบัติในรูปแบบในชีวิตประจำวันก็ไม่ลืมเมื่อเราเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นยังไม่ต้องมากหรอกมากขึ้นขอสักครั้งเดียว ความจริงเล็กๆน้อยๆก็ได้เราจะรู้จักคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงว่าจะเกิดมาทำไมหน้าที่คืออะไรกันแน่ไอ้ที่ทำอยู่นี่มันใช่ไหมมันจะรู้เองไม่ต้องให้ใครบังคับขู่เข็นเลยว่าต้องออกจากโลกมาปฏิบัติธรรม มันเห็นด้วยตัวเองบางคนก็พยายามทำงานเก็บเงินเงินยังไม่พอเก็บก่อน ถ้าเราติดตามเศรษฐกิจโลกเราจะเห็นประเทศที่เงินนั้นไร้ค่าเงินเฟอ้อเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ไร้ค่าแล้วเก็บมาแทบตายดันอยู่ดีๆไร้ค่าซะงั้น เพราะนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรที่เรากําลังสแสวงหาที่เรียกว่าความปลอดภัยไม่มีสิ่งที่โลกนี้มีอย่างเดียวคือความไม่แน่อะไรอะไรก็ไม่แน่ จิตใจตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหมรู้แล้วก็รู้สึกตัวต่อทำหน้าที่ของตัวเอง คุยกับใครปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ใช่มัวแต่ไปดูคนอื่นดูเขาว่าทำไมเขาทํอางนี้ทำไมเขาพูดงั้นทำไมเขาเป็นงนี้ดูไปที่ตัวเองจิตใจก็เพื่อหมหวั่นไหวแล้วจิตใจไม่พอใจแล้วจิตใจไม่ชอบแล้ว เห็นตัวเองไม่ใช่ไปวิจารณ์คนอื่นจะพอกพูนนิสัยส่งออกนอกพูดมากช่างวิภาควิจารณ์ ส่งผลให้จิตใจนฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมทุกคนก็กำลังซึมซับ ธรรมะแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆกำลังเข้าใจอะไรๆมากขึ้นเรื่อยๆถ้าทราบซึ้ง จากความเป็นจริงที่กำลังได้เรียนรู้อยู่แล้วนี้ก็อย่าได้ทิ้งอย่าได้เลิก